ถ้าคนมีปัญญาฟังแล้วพิจารณามาค้วงมากอย่างที่คนงโง่นั้นบุตรสวาวโง่บ่ได้เรียนหนังสือเกีย่ยหนังสือบ่ได้อ่านหนังสือว่าเป็นนั้นโง่อันนั้นก็นถูกอยู่แต่บุตรสาว เ, เท่านั้นแล้วที่ว่าคนที่บูรุษจักการทํามาหาจินบ่มีเงินบ่มีทองบ่มีพักบ่มีพวก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 อันนั้นซึ่งว่าอย่างลงผิดอยู่คันแก้ปัญหาอันนิบมได้แม้จะนับเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมาหาสมุทรสะเลพุ้นให้ครบให้จบให้ทวนทุกเดดอันนั้นก็นยั ง, งโง่หลงอยู่ถ้าหากมองจากวิธีที่มาทำทางกิต ท, ทางใจนี้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงมาที่นี้ที่หลงพ่าให้ฟังเดี๋ยวนีน้นี่เพราะพระพุทธเจ้าเพิ่นมีจุดหมายปลายทางให้พวกเรา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 เมื่อทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไดจันทุกนั่งจะลดนอ้อยไปเป็นวเพราะว่าโทสะโมหะโลภะนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นพอเราดูสภาพรุพภาวะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจดูสภาพรุปภาวะความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันทำยั่งที่หลวงพ่อวาู้สู้ฝั่งเดียวนี้นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าบม่ได้กาหนดกฎเกณฑ์ลงไปว่า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 จิตใจบริสุทธิ์อาจารยมันจะเป็นอังซีเยี่ย่มันเราบไดบ้ไปคุกคีกับเมียอันซิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันกำมันปกคุมอันนี้ซึ่งโบให้อันนี้นะแสดงออกหน้าที่ของมันมันก็เลยบบได้แสดงพอเขาไปลงตนลืมตัวเพิ่นว่าสัญญาความหมายรู้จำได้่มมันว่า <c oughs>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 เคยให้ทานเคยรักษาศิ้นมาคันผู้ใดบวให้ทานกับว่าจิตใจบกุ้งขวงเนี่ยรักษาสิ้นมากับผู้ใดยังโอโหกพูดเท็จอย่างสัญชีเชื่อคนนั้นบุดิหัวเนี่ยเข้าใจอย่าง ต, ตัวเองเป็นเลยบุรู้จักเมื่อตัวเองบุรุ้จักบุมีความสว่างไายในยจิตใจแล้วเื่อว่าเรายั ง, ง, งโง่หลงอยู่ทางนั้น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 วิปัสนาจิงว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วรับรองได้คำพูดคำสอนแม้จะทำอยูย่แต่กระดโบต้องว่าไปศึกษาอันนั้นอันนี้ให้มากอย่างที่เนี่ยพวาหลายเชือลแล้วอะเป็นนับเม็ดหินเม็ดจายอยู่ในท้องมหาสมุทรทะเลอยู่พุ้นคบทุกเม็ดคันยมาแก้ปัญหาอันนี้โบได้กันยังเป็นคนผ่านอยู่ยังเป็นคนงโง่อยู่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 นี่ก็ได้มาก็ได้บัมาก็ได้เอาไปปฏิบัติก็ได้บัอาไปปฏิบัติก็ได้มันเรื่องของแต่ละคนเลยมันบไม่เอาให้กันเป็นเลยพ่อทําให้ลูกกับบได้ลูกทําให้พ่อกับบได้พัวเมียทำแทนกันกับบได้